เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติทำให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในจิต <c oughs> ขอให้ทุกคนจงตั้งจิตให้แน่วแน่ ว่าบัดนี้ฉันจะปฏิบัติสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภาวังฉันจะรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพุทโธระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าธรรมโม ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าสังโฆพ ร, ระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของฉันฉันจะกำหนดสติสำรวมเอาจิตของฉันแล้วจะให้คำว่าพโพธิ เพียงคำเดียวเป็นสื่อนำจิตของฉันให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิสติวังพยายามนึกพุทโธพุทโธไ่จิดสมาี่ของเราเพียงแต่นึกพุทโธเพียงอย่างเดียว หรือถ้าหากว่าใครเคยภาวนาสัมมาละหังยุคหนอพองหนอก็ให้เอาตามที่ตนเคยตนชำนี้ทำนานมาแล้วเพราะว่าพุทธโธก็ดีสัมมาละหังก็ดียุกหนอพองหนอก็ดีเป็นแต่เพียงคำพูดที่เราจะมาบริกรรมภาวนา ให้จิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในเมื่อเรานึกมริกรรมภาวนาเลื่อยไปด้วยจิตที่สบายเราไม่บังคับจิตเราไม่ข่มจิตเราไม่คิดว่าเมื่อไรจิตจะสงบ เราไม่คิดว่าเมื่อไรเราจะรู้จะเห็นไม่ต้องไปคิดทั้งนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่ว่าตั้งติดให้มีสติแน่วแน่นึกบริกรรมภาวนาเพียงแค่ในใจเท่านั้นความสงบหรือไม่สงบ ความรู้ความเห็นจะมีหรือไม่มีให้เป็นหน้าที่ของจิตในเมื่อจิตเขาสงบจริงๆแล้วเขาจะเกิดพลังงานและมีความรู้ความเห็นขึ้นมาเองดังนั้น น, นับบัดนี้ขอให้ทุกคนตั้งจิต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 จะทำให้จิตของเราเกิดมีพลังงานเมื่อจิตของเรามีพลังงานมีสมาธิตั้งมันมีสติสัมปชัญญะรูปร้อมคำบริกรรมภาวนาที่เรานึกอยู่มันจะหายไปยังเหลือจิตที่สงบนิ่ง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 หายเหน็ดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหมึนร่างกายก็ปลอดกลมสมองก็ปลอดกลมมันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตของผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังเป็นสมาธิอ่อนๆอก็ให้เราประคับประคองจิตของเราให้ดูเฉยๆระวังอย่าให้เกิดเอกใจหรือตกใจขึ้นมาถ้าหากจิตของเราค่อยๆสงบลงไปทีละน้อยลน้อยเราจะไม่ตกใจ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 แต่ถ้าสติของเราตามรู้ทันจิตของเราจะรู้สึกแจ่มแจ่มก็ะยินก็จยิมบางทีก็มีความสว่างสวัยในตอนนี้จิตของเราอาจจะนิ่งว่างอยู่เฉยเฉยเมื่อมันนิ่งว่างอยู่เฉยเฉยผู้ปฏิบัติก็รู้อยู่เฉย ในตอนนี้สมาธิของเรากำลังเริ่มจะเป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิพยายามจะ ไ, ไปสร้างความคิดอะไรแทรกแซงขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ในทีถ้าเระวังไม่ให้เกิดความตั้งใจจะกำหนดรู้จะปล่อยให้รู้อยู่ในทีได้เป็นดี ในช่วงนี้ถ้าเราตั้งใจขึ้นมาปับ๊บสมาธิมันจะถอนแม้จะเกิดเอ่ใจสมาธิมันก็ถอนเพราะฉะนั้นควรจะประครับประคองจิตของเราไว้ให้ดีให้มันรู้อยู่เห็นอยู่ในทีอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิ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 ยังเหลือแต่สมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่จิตสงบนิ่งว่างว่างเรื่อยไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายอันนี้เรียกว่าสมาธิในทานสมาบัติถึงแม้ว่าจะไม่เกิดภูมิความรู้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นฐานสร้างพลังจิต ทำให้จิตของเรามั่นคงทำให้สติสัมปชัญญะของเราเข้มแข็งเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเรานึกถึงสิ่งใดความรู้สึกในจิตของเรามันจะนแน่วแน่เพราะอาศัยพลังที่เกิดจากจิตที่สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นเหตุเป็นปัจจัย เ่างั้นแม้ว่าจิตของเราจะสงบได้เพียงแค่สมะถะกรรมฐานไม่เกิดภูมิความรู้ก็าตามทีแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็คือทำให้จิตของเรามีความมั่นคงจึ่เรียกว่าสมาธิแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมอยู่จิต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 แล้วก็เป็นผู้เบิกบานเพราะจิตของเรามีความแกล้ากล้าอาถารไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ทั้งปวงยิ้มรับสถานการณ์ได้อย่างคล่องตัวและด้วยความแกล้ากล้าอาถารจึงเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ทางหนึ่งซึ่งจิตสมาธิจะพึงเป็นไป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 เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความเข้มแข็ขขงขึ้นสมาธิมั่นคงขึ้นไปในบางช่วงติดของเราอาจจะแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดจั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูถ้ากายยังปรากฏอยู่อีกมิติหนึ่งจะนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย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 เหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกถิงทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติความคิดก็เกิดขึ้นเองสติตัวที่เฝ้าดูก็เป็นเองสมาธิตัวจิตมั่นคงก็เป็นเองแล้วจิตมีสติรู้จูดที่ติด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 บางทีก็นแสดงอาการมันมาวนรอบๆจิตปูจตลอดเวลาแต่จิตไม่ได้วันไว้ต่อเหตุการณ์นั้นสองวันไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งอีกศ ส, ะ ส, ะสะละแก่ประตูตัวเองส่วนตัวที่มีปรากฎการให้จิตรู้ แล้วก็จะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอะไรดิบๆไม่ได้ได้วันวายมันไม่ได้สาคัญมั่นหมายว่าอะไรจะเป็นปอะไรศักดิ์เจตวารู้ดูจะเห็นดูเราเนานะเจตนาฉัญญาที่จะไปสมมติบัญญัติสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอะไรย่อมไม่มี ความรู้สึกว่าจิตสงบเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนั้นขั้นนี้ก็ไม่มียังเหลือแต่จิตกับสิ่งที่ปรากฏการให้จิตโลดดูอันนี้เป็นถีติภูตังความที่จิตตั้งมั่นดิ่งนิ่งเด่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งปวง เป็นจิตแท้เป็นจิตดั้งเดิมเหตุดวงนี้แหละที่นักปราชญ์ท่านว่าปพัพชลมิทังพิทเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติปพัพส่คือเป็นจิตที่สะอาดแต่ความสะอาดของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าขาว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 ที่มีกิเลสหรืออารมณ์เป็นสิ่งลูกของจิตก็ย่อมปลากฏขึ้นอันนี้เป็นความเป็นไปของจิตในสมาธิขั้นที่เข้าไปสู่จิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเมื่อเราปฏิบัติสมาธิมาถึงจุดนี้ เราก็จะรู้ชัดเจนว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเรามันเป็นอย่างนี้คือจิต ท, ที่ไม่มีอารมณ์ไม่ยึดในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่ทรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเป็นอิสระแก่ตัวเองแม้จะมีเหตุการณ์ใด้ปรากฏขึ้นในจิต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 แต่ถ้าหาว่าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วถอนพูดพ ด, พ ด, พดมาสู่ปกติธรรมดาโดยไม่ได้จับยั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งภูมจิตก็ได้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตถอนจากสมาธิเลิกละเอียดมาพอสัมพันธ์ว่ามีร่างกายพอ ร, รู้สึกว่ามีกายเท่านั้น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 แต่ว่าถ้าจิตไปรู้ว่าอ๋อนี่หนอจิตแท้จิตจ้างเดิมมันเป็นอย่างนี้รู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยเป็นวิปัสนาจิตที่มารู้ว่าคว า, ามคิดเป็นอาหารของจิตคว า, ามคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานคว า, ามคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา